ที่น่าสนใจนะพวกเราไม่รู้พวกเราเคยได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงไทยแค่หนึ่งเปอร์เซนที่คิดว่าตัวเองสวยแปลว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่สวยพวกเราเป็นอยู่ในกลุ่มไหนนะหนึ่งเปอร์เซนหรือเก้าสบเก้าปอร์เซนอันนี้ตัวเลขนี้ก็แปลกเพราะว่าเขาบอกเนี้ยผู้หญิงไทยเนี้ยใช้เวลาในการประทินโฉมเนี่ยมากกว่าประเทศใดในอาเซียนในอาเซียนนะเท่กัคือวละยี่บสี่นาที ตัยเลขเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนเนี่ย19นาทีนะแล้วก็คิดว่าตัวเลขของผู้หญิงที่ในอาเซียนที่เขาคิดว่าตัวเองสวยเนี่ยคงจะมากกว่าคนไทยนะคือมากกว่า 1% อันนี้ก็น่าคิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ยใช้เวลาในการประทินโฉมเนี่ยมากนะวันละเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้เฉลี่ยนะบางคนอาจจะเป็นชั่วโมง แต่ว่ากลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะสวยเนี่ยน้อยกว่านะอันนี้จะแสดงว่ า, าผู้หญิงไทยเนี่ยนะมองตัวเองในแง่ลบนะ 99% เนี่ยคิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยนะนะซึ่งถ้าไปถามไปถามคนต่างชาตินะแม่ว่าจะเป็นยุโรป ห, หรือเอเชียก็คงจะคิดว่าโอ้ยตัวเลขนี่ 99% นี่มากไปนะ ที่คิดว่าตัวองไม่สวยเพราะว่าฝรั่งเขามาเห็นเขาเพราะว่าโอ้เกินครึ่งนะสวยนะแต่คนไทยเนี่ยกลับมองว่า <c oughs> เกือบ1้0เปอร์เซ็นต์นะคิดว่าตัวองไม่สวยมันบอกอะไรนะนะอย่างน้อยก็เหมันก็บอกว่ามองตัวเในแง่ลบหรืออาจจะเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาก็ได้ การโฆษณาเนี่ยมันโดยเพาะเครื่องประทินโฉมเนี่ยเขาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราไม่สวยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องซื้ อ, อเครื่องประทินโฉมของเขานะตั้งแต่ยาสีฟันผงซักมีอของพวกซอกผงแชมพูสาผมนะแล้วก็สารพัดนะแล้วนี่ก็เป็นเหตุทำให้คนไทยนะเดยผู้หญิงไทยเนี่ยนะแพ่กันไป ผ่าตัดเสริมทรงนะทั้งจมูกทั้งคางทั้งออะไรต่ออะไรสาพัดนะซึ่งก็ตัวเลขแต่เป็นเงินเป็นทองมหาศาลทั้งนั้นตัวเลขที่ว่านี่ก็ใกล้ๆ ก, กับอเมริกานะอเมริกาก็บอกว่าผู้หญิงประมาณ 98% เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอ้วน 98% เลยนะหรือว่าเกือบจะร้อยทั้งรอยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักมากไปซึ่งถ้าเรา แต่สังเกตดูผู้หญิงอเมริกันเนี่ยคงจะไม่ถึงกับร้อยทั้งร้อยที่อ้วนนะแต่ว่าเขารู้สึกนั้นจริงๆนะเกิดจะร้อยทั้งร้อยเลยแล้วก็ประมาณ 80% เนี่ยไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวอันนี้ก็แสดงว่าเ้ามีความทุกข์มากนะก็ไม่ทราบว่า 99% ผู้หญิงไทยที่คิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยมีความทุกข์หรือเปล่าหรือมีความไม่พอใจที่ตวเงไม่สวยหรือเปล่านะ ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านอกจากนอกจากคิดลบแล้วมองลบแล้วเนี่ยนะก็ยังวางใจไม่เป็นด้วยนะหมายความว่าถึงแม้ว่าโอเคฉันไม่สวยนะแต่ว่าไม่ได้ทุกข์กับมันนะหรือว่าไม่ได้ไม่พอใจกับมันนะพ่อแม่ให้มาอย่างนี้ก็ก็ดีแล้วถึงไม่สวยฉันแต่ฉันก็พอใจแล้วนะอย่างนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่สวยแล้วรู้สึกไม่พอใจนะอ น, นี้เรียกว่าเกิดความทุกข์แล้วแต่คิดว่าก็สิเก้าปรเ็นตที่ไม่สวยนีย่ก็คงจะไม่น้อยสิเดือนะที่มีความทุกข์ไม่พอใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวอันนี้นก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ต, ตามมามากมายเช่นวัยรุ่นหลายคนก็ไปหาทางลดความอ้วน นะไปกินยาที่เขาโฆษกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปรากฏว่าถึงตายก็มีนะเพราะว่ายาพวกนี้มันไปทำอันตรายกับสมองนะทำให้สมองเพี้ยนไปแล้วก็ทำให้ถึงตายได้รู้หรือเปล่าว่าในอเมริกาเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขารู้สึกเป็นทุกข์มากกับการที่ตัวเองอ้วนทึ่งที่อาจจะไม่ได้อ้วนจริงนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ้วน แล้วเขาก็พยายามลดความอ้วนโดยการงดกินอาหารบางอย่างเช่นชอ็อกโกแลตไอติมเนื้อแต่ลดเท่าไหร่ก็ยังยังไม่เพียวอย่างที่ต้องการหรือว่าบางคนนี่ก็รู้สึกว่ามันลดมันอดกินอาหารพวกนี้ไม่ได้นะยังติดพวกชอ็อกโกแลตพวกพวกไอติมยังอยากกินอยู่ อยากกินแต่ว่าไม่อยากให้อ้วนแล้วจะทำ จ, จะทำยังไงก็มีหลายคนถามไปใช้ทางรัดนะไม่ใช่พ่าเอาไขามันออกจากร่างกายนะแต่ว่าใช้วิธีที่เขาคิดว่าอันตรายน้อยกว่านะก็คือกินพยาธิกินพยาตนะเขาก็เห็นคนที่เป็นพยาธิเนี่ยกินพยาคนที่มีพยาธิเนี่ยก็จะผอมก็าจะพเจะพรียวใช่ไหม ก็ค น, คนที่มีพยาธิเนี่ยเช่นพยาธิตัวเต่า น, นะเปรี้ยวนะเขาก็อยากเปรี้ยวแบบนั้นบ้างก็เลยนะกินกินพยาธิเข้าไปมีแคปมีใสยแคปซูลขายนะทางอินเทอร์เนต็ตแล้วไม่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีคนซื้อเยอะมากทีเดียวไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาในฮ่องกงในจีนนี่ก็มีโอ้ขนาดนี้เลยนะคืออยากจะพผอมมากนะจนทั้งไปซื้อ ไปกินนะพญาตแล้วก็เปรียวจริงนะผอมจริงนะแต่ว่ามันอันตรายนะอาถึงตายได้ <c oughs> อันนี้มันแสดงถึงความความความทุกข์และความเจ็บป่วยของผู้คนนะคือไปคิดว่าไอการกินพญาตินี่เนะี่ยมันจะมันจะช่วยตัวเองได้เป็นการติดยึดในร่างกายในรูปร่าง นะของตัวเองมากโจนกทั่งทำอะไรก็ไดนะ้อย่างนี้เรียกว่าลืมตัวได้เหมือนกันนะคือถ้าคนที่ไม่ลืมตัวเนี่ยเขาคงจะไม่คิดทำแบบนั้นบางทีก็น่าคิดว่าไอ้เขาใช้อะไรคิดนะในการในการทำแบบนั้นเนี่ยนะแต่นี่เพราะความลืมตัวนะเพราะความหลงติดในข้นนิยมนะสวยสวยสวยเนะจ ต, ต้อง จะต้องสวยให้ได้แล้วสวยของเขาคือว่าเพียวนะอันนี้ก็สว่วนนึงก็ไป็นอิทธิพลของขัญนนี้อิทธิพลของอ่าความบันเทิงอุตสาหกรรมการบันเทิงด้วยนะเพราะว่าเขาเห็นนางแบบก็เห็นดาราเนี่ยผอมนะเขาก็อยากจะผอมอย่างนั้นบ้างแล้วก็รล้สึกว่าสวเเนี่ยรูปร่างไม่ดีทั้งใน ท, ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเห็นในโทรทัศน์นะดาราละครหรือว่า พวกนางแบบเนี่ยเป็นแค่คนส่วนน้อยมากๆเลยอันนี้คนในยุคนี้เนี่ยเขาเขาตกเป็นเหยื่อของการโฆษณานะแล้วก็เป็นเหยื่อของอาการสร้างภาพนะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะอ้วนเกินไปและมันก็สะท้อนถึงการมองแง่ลบด้วยคือมองเห็นแต่ข้อตำหนิของตัวเอง เมื่อสักสองสามปีก่อนมันมีคลิปวิดีโอของสินค้ายี่ห้อหนึ่งนะเป็นสบู่แล้วก็แชมพูสรบผมเนี่ยน่าสนใจมากประมาณสองสามนาทีเค่นั้นเองเขาเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์นักวาดสเก็ตภาพซึ่งทำงานให้กับ FBI ด้วยคือเขาทำหน้าที่สเก็ตภาพคนร้ายประจักษ์พยานก็จะเล่าว่า คนรานี่หน้าตาเป็นอย่างไรเขาก็สกเก็ตแล้วก็สกเก็ตได้เก่งมากฟังจากคําบอกเล่าเขาก็สเก็ตได้ถูกแล้วก็ ก, ก็ดดกกให้ผู้ชายวนนี้เนี่ยสกเก็ตภาพของผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาโดยมีโดยมีโดยมีม่านนกั้นเอาไว้ผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเนี่หน้าตาเป็นอย่างไรคางเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรจมูกเป็นอย่างไร ผู้ชายก็จะวาดภาพผู้หญิงไม่รู้นะว่าผู้ชายเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยกําลังวาดภาพตัวเองแต่คงจะเดาได้เพราะผู้ชายก็ถามว่าคางคุณเป็นอย่างไรหน้าคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาก็สเก็ตภาพตามที่ได้ยินจากคําบอกเล่าผู้หญิงก็มีผู้หญิงทําแบบนี้ประมาณสิบคนยี่สิบคนได้เขาก็สเก็ตหมดนะเสร็จแล้วเขาก็จะให้คนที่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเนี่ ย, ยผู้หญิงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะรู้จักกันชั่วคราวนะ อาจจะได้เจอกันประมาณสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะให้คนที่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มานั่งในที่ที่เดิมมานั่งแทนแล้วก็เล่าว่าเนี่ยผู้หญิงค น, น, นเมื่อกี้เนี่ยเขาหน้าตาเป็นอย่างไรคางเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรเพราะฉนั้นก็จะได้ภาพสองภาพนะภาพนึงเป็นภาพที่เกิดจากคําบอกเล่าของเจ้าตัวอีกภาพนึงเกิดจากคําบอกเล่าคนที่ได้เห็นแล้วเขาก็าภาพสองภาพมาเทียบเคียงกัน ภาพซ้ายเป็นภาพที่เกิดจากคำบอกเล่าของเจ้าตัวภาพขวาเป็นภาพที่เกิดจากคําบอกเล่าของคําพนันนาคําบรรยายของคนที่เห็นเจ้าตัวบอกว่าภาพขวานี่จะสวยกว่าภาพซ้ายทุกภาพเลยนะแล้วเขาก็จะเชิญเจ้าตัวเนี้มาดูภาพเจ้าตัวมาเห็นภาพของตัวเองซ้ายแล้วเห็นภาพของเพื่อนที่พูดถึงตัวเองแล้วเขาก็แปลกใจโอ้ ไอภาพที่ตัวเองเล่าบรรพันพน า, นานงตัวเองเนี่ยมันไม่สวยเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกคนเนี่ยมองตัวในในแง่ลบนะขณะที่คนอื่นเนี่ยเห็นแต่ความสวยของตัวเนี่ยแต่ตัว เ, เห็นแต่ความเห็นแต่สิ่งที่น่าตำหนิแล้วเขาก็สรุปตอนท้ายว่าเป็นข้อความนะคุณสวยกว่าที่คุณคิดนะคุณสวยกว่าที่คุณคิด อันนี้ก็น่าพิจารณาว่าจริงๆไม่ใช่แค่สวยกว่าที่คิดนะบางทีเรามีความสุขกว่าที่เราคิดด้วยแล้วก็เราอาจจะรวยกว่าที่เราคิดก็ได้นะอันนี้เพราะพอเรามองแง่ลบเนี่ยเราจะมองเราลบในหลายเรื่องทีเดียวไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยเท่านั้นอันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะอ่ะเตรียมรับพร